Thank you. แต่ว่าเป็นช่วงสมัยต้นๆนนะของพระพุทธเจ้าหมายถึงพรรษาแรกๆมีคราวหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมเยือนพระสาวกนะสามรูปที่เลียกเล่นไปปฏิบัติอยู่ในป่าพระองค์ก็เสด็จไปพูดเดียวนะคือตอนนั้นก็คงจะยังไม่มีพระปัจชาสมณนะทั้งสามรูป ที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมก็ได้แก่พระอนุรุท ธ, ธะพระนันทิยะพระกิมพิระซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพรยะยบุคคลแต่ภายหลังทั้งสามท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลทั้งสามท่านตอนนั้นทั้งสามท่านก็ยังทำความเพียรอยู่เพราะก็ะจะเพิ่งบวชมาใหม่ เมื่อพระรูปเจ้าเสด็จไปเยี่ยมประโยคแรกที่พระองค์ตรัสเนี่ยเป็นคําถามก็คือว่าพออยู่ได้ไหมบิณฑบาตได้หรือเปล่านะทั้งสามท่านก็ตอบว่าอยู่ได้นะการบิณฑบาตไม่ขัดสนแล้วพระพุทธองค์ก็ถามต่อมาว่ายังมีความพร้อมเพรียงกันดีหรือชื่นชมกันไม่วิวาทกัน เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมมองกันด้วยสายตาหรือในตาที่เปลี่ยมด้วยความรักหรือเปล่าทั้ง3ามท่านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความพร้อมเพรียงกันมีท่านหนึ่งก็ตอบว่าข้าพระงได้พิจารณาว่าพึงเก็บจิตของตนเอาไว้และประพฤติตามจิตของ ผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้ก็หมายถึงอีก2ท่านนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่กายของข้าพระองค์จะแตกต่างกันแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันท่านตอบดีนะท่านตอบว่าเนี่ยเก็บจิตของตนเอาไว้แล้วก็ไปพฤติตามจิตของผู้อื่นก็คือว่าไม่เอาความต้องการของตนเป็นใหญ่นะแต่ว่าคำนึงถึง จิตใจของผู้อื่นหรือว่าวิสหายเพื่อนสัพพมจารีแม้กายของข้าพระองค์จะแตกต่างกันนะแต่ว่าจิตของข้าพระองค์นะดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ามีความพร้อมเพรียงกันมากจากนั้นพระองค์จึงถามว่ายังมีความไม่ประมาทมีความเพียรในการปฏิบัติอุทธิทั้งกายและใจหรือเปล่า ทงสามท่านก็ตอบว่ามีความเพียรมีความตั้งใจในการปฏิบัติดีแล้วสุดท้ายพระองค์จึงถามว่าบรลุคุณวิเศษบ้างหรื อ, อยังนะน่าสนใจนะที่พระองค์ถามเป็นลำดับนะแทนที่พระองค์จะถามว่าปฏิบัติสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามแรกนะพระองค์ก็จะถามเรื่องของความเป็นอยู่ก่อน ความเป็นอยู่เรื่องความสุขสบายทางกายภาพนั่นแหละนะพออยู่ได้ไหมบินทบาตได้หรือเปล่านะจากนั้นก็จึงถามถึงเรื่องความพร้อมเพียงความสมัครคีแล้วจึงค่อยถามถึงเรื่องความตั้งใจในการปฏิบัติอันนี้ก็ถ้่าเราพิจารณาดูดีๆมันก็ให้แง่คิดนะกับพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติ ก็คือว่าในการปฏิบัติเนี่ยนะความตั้งใจความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ความเพียรการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปได้หรือบังเกิดผลนะก็มีอยู่สองอย่างนะคือเรื่องของทางกายก็ได้แก่ความเป็นอยู่นะโดยเพราะเรื่องบิดาบานแต่ที่จริงคงจะรวมไปถึงเรื่องของเสนาสะนะ อันนี้เป็นเรื่องกายภาพนะซึ่งถ้าตวาไปคงจะรวมถึงเรื่องดินฟ้าอากาศด้วยนะและประการต่อมาคือความสัมพันธ์ของอผู้ที่อยู่ด้วยกันนะว่าเป็นกะะนัลยาณมิตรกันหรือเปล่านะมีความพร้อมเพรียง ม, ม, ม, ม, มีความสา ม, มัคคีกันไหมคาที่พรองใช้ก็น่าสนใจนะเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนนมั้ยหรือว่า เข้ากันไม่ได้เหมือนกับน้ํากับน้ํามันนะมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยมด้วยความรักหรือเปล่านะเออความเมตตานัเนนะี่ยนนี่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ในหมู่ผู้ที่ด้วยกันเนี่ยราบรือกลมเกลียวเนี่ยมันก็เอื้อให้การปฏิบัตินะมีความเจริญก้าวหน้านะสิ่งที่น่าสนใจก็คือประการต่อมาคือว่าพระองค์จะไม่ถามเรื่อง ความสําเร็จก่อนนะแต่จะถามถึงความตั้งใจนะถามความตั้งใจก่อนนะถ้ามีความตั้งใจนะไอ้เรื่องผลสําเร็จเนี่ยหรือว่าคุณวิเศษเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตามมาอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเวลาถามลูกนะก็จะถามถึงความสําเร็จว่าเป็นยังไงสอบได้เท่าไหร่ไปแข่งกีฬามาชนะไหม แต่ไม่ค่อยได้ถามก่อนนะว่ามีความตั้งใจหรือเปล่าให้นะความตั้งใจมันต้องมาก่อนความเพียนความไม่ประมาทนะต้องมาก่อนแต่ความเพลิ น, นจะเกิดขึ้นได้เนี่ยความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องอาศัยสิ่งว่าล้อมนะเช่นอาหารการกินอยู่นะแล้วก็เพื่อนที่แวดล้อมนะถ้าอาหารการกินอยู่ขัดสนนะ และมีหน้ำซ้ำนะเพื่อนที่แวดล้อมอยู่ด้วยกันมีความขัดแย้งกันทะเลาะวิวาดกันไม่ชื่นชมกันเนะี่อันนี้มันก็ทำให้การปฏิบัตินะของใครก็ตามนะแม้จะมีความตั้งใจเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องเดีย๋ยวว่าแต่จะประสบความสาเร็จเลยแม้กระทั่งจะทำความเพียรให้ยั่งยืนนะมันก็คงได้คงทำได้ยาก พอคนเราเนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมโดยเหตุ น, นี้พระเจ้าจึางตัดนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่ว่าเนี่ยการยนตมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะพระอานนท์ทีแรกก็ตอบว่าการยนตมิตรเนี่ยเป็นคลื่นของพรหมจรรย์แต่พระเจ้าตัดว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นนะอานน์การยนตมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะอันนี้ก็หมายความว่าการปฏิบัตินะ ให้เจริญในองค์มรรคเนี่ยมรรคมีองค์แปดเนี่ยมันจะเป็นไปได้นี่ต้องอาศัยการยานมิตรมากทีเดียวอันนี้สำหรับปุถุชนนะพระตัวเจ้าเนี่ยพรอะองค์ไม่มีการยานมิตรนะที่ทําให้พระองค์เห็นแจ้งตัดสู้พระสัมมาสัมพุทธียานนะจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตัดสู้เองนะไม่มีการยานมิตรหรือ ศาสตราครูบาอาจารย์เนี่ยจะมาแนะนําแต่สาหรับบุตรชนแล้วนี่กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือการปฏิบัติจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรล้วนๆซึ่งก็ไม่ใช่หมายถึงมิตรสหายเท่านั้นแต่ล้นครูบาอาจารย์ด้วยอันนี้ก็เป็นโชคดีนะของพวกเราที่หัก ท, ที่ว่าการที่เรามาปฏิบัติที่นี่เนี่ย เรื่องเสนาสนะความเป็นอยู่นะก็มีผู้เกือ้อกลนมากเจ้านะก่อนแม่ป่าสุกโตก็ค่อนข้างขาดแคลนนะเรื่องอาหารนะเพราะว่าทางก็รทุรกันดาลอยู่ไกลแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคำว่าขาดมีแต่คำว่าเหลือนะไม่ว่าจะเป็นจีวอไม่ว่าจะเป็นอาหารนะเสนาสนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ถึงก็เรียกว่าสุขสบาย นะตามมาตรฐานของอ่าคนในเมืองนะแต่ว่าก็เรียกว่าสุขสบายตามมาตรฐานของวัดป่าอาจจะสบายกว่าด้วยนะเมื่อเทียบกับชาวบ้านนะที่เขาอยู่รอบวัดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นนะก็คือเรื่องของความสามัคคีความพร้อมเพรียงนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากกว่า เรื่องเสนาสนะเรื่องอาหารก็มีคนมาถวายมีคนมาบริจาคอยู่ไม่ขาดสายแทบจะทุกวันก็ว่าได้ที่จริงที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขามีศรัท ธ, ธาในพระสงฆ์อย่างน้อยก็ต้องเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยสามัคคีกันเพราะถ้าชาวบ้านเห็นว่าพระนี่ไม่สามัคคีกันก็ไม่มีศรัท ธ, ธาที่จะนำเอาของมีค่ามีราคาที่เขาต้องหามาด้วยนพัดนําแรงเขาเนี่ยมาถวาย ไอ้คนนี้เนี่ยเมื่อเรามีปัจจัยอำนวยความสะดวกในเรื่องกายภาพแล้วก็ต้องช่วยกันสร้างสภาพทางสังคมหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยให้มันเกื้อกูลนะก็คือการสร้างนะความสามัคคีให้เกิดมีขึ้นนะมันก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อแต่ละคนด้วยส่วนรวมในที่นี้ก็ ไม่ใช่เฉพาะวัดป่าสุกโตนะอาจจะร ว, รวมไปถึงคณะสงฆ์นะเพราะว่าการปฏิบัติของเราแต่ละคนเนี่ยเราแต่ละคนก็เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์นะไม่ใช่เป็นตัวแทนของตัวเองหรือว่าเป็นตัวแทนของวัดป่าสุกโตเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เรามาร่วมกันสร้างความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ ไม่ว่าจะเป็นสุกโตก็ดีหรือว่าคณะสงฆ์นะอันนี้ก็เป็ น, ป น, ปนไปในทางที่ดีนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเราด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดมีขึ้นนะคราวนี้ไอ้ความพร้อมเพรียงกันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เรามาทำกิจวัตรร่วมกัน นะเมื่อเรามาทำกิจวรตรร่วมกันเนี่ยในด้านการแสดงความพร้อมเพรียงขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวเสริมความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างอยู่นะไม่มีการทรํากิจวัตรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการทําวัดสดมนหรือว่าการบินฑบาตหรือชันอาหารร่วมกันเนี่ยนะให้ความที่จะคุ้นเคยกันนะมันก็เกิดขึ้นได้ยากมันก็จะเกิด ค่านิยมหรือทัศนคติว่าต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันแล้วคัดค่านิยมแบบนี้เนี่ยมันก็มันจะไม่มีทางเสริมสร้างให้เกิดความพร้อมเพรียงกันได้เลยนี่นก็จำเป็นนะที่วัดเราเนี่ยนะกิจวัตรอะไรก็ตามที่เป็นของหมู่คณะก็อยากจะให้มาทากันพร้อมเพรียง แต่ความพร้อมเพรียงที่ว่านี้ไม่ได้เกิดจากการมาทำวัดสวดมนต์การมีณบาตการฉันเท่านั้นนะการทำงานร่วมกันเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่นี่เราก็มีกิจวัตรที่ทำร่วมกันนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ถึงกับทำพร้อมเพรียงกันทั้งวัดนะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะในแต่ละปักแต่ละปักเนี่ยเราจึงมีวันพิเศษนะวันโกดเนี่ย ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโกลแรกนะของอพรรษานี้เนี่ยก็หลายปีที่ผ่านมาพอถึงวันโกลเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันพระทั้งวัดรวมทั้งแม่ชีรวมทั้งนักปฏิบัติก็มาทำกิจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะกิจเหล่านี้เนี่ยนะมันมีความสำคัญ มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่ อ, ตอวัดเท่านั้นเช่นทําให้วัดสะอาดสะอา้านนะมีการซ่อมมีการแซมมีการทาสีมีการทําความสะอาดอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะที่ต้องอาศัยกําลังของคนในวัดอีกส่วนนึ่งก็เป็นประโยชน์นะต่อการปฏิบัติของเราด้วยนะอย่างในน้อยเนี่ยมันก็เป็นตัวเชื่อม เป็นตัวสร้างความพร้อมเพรียงความสมัคีเพราะว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้คนได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาเห็นน้ำใจของกันบางทีการได้เห็นน้ำใจเห็นความเสียสละของเพื่อนซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยนะแต่แม้จะไม่ได้พบปะพูดคุยแล้ ว, วเห็นน้ำใจของเขาก็ทาให้เกิดความชื่นชมกันนะ อันนี้เป็นเรื่องของการสร้างความพร้อมเพียงนะและมันก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราแต่ละคนด้วยนะในการทำงานร่วมกันเนี่ยนะการปฏิบัติทำเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันต้องอทำด้วยการเปลีกยตัวเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนะมันยังสามารถจะทาได้ด้วยการทากิจกรรมร่วมกัน ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัฒโทเนี่ยท่านยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยที่ว่าหนองประพง์ก็จะมีกิจกรรมที่พระมาร่วมกันทำทางานเรียกว่ า, าสม่าเส ม, มอจะเรียกว่าทุกวันก็ว่าได้นะทุกวันก็บา่บายสามบาาม่บายสี่นี่พระนี่ก็ออกมาจากกุฏิมากวาลานวัดมาเช็ดถูศาลา แล้ววันดีคืนดีก็มีกิจกรรมนะที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงในสถานที่เดียวกันเช่นคราวนั้นเนี่ยก็มีคราวหนึ่งก็มีพระก็มาขนดินเพื่อมาถมพื้นที่รอบโบสถ์ซึ่งตอนนั้นเริ่มสร้างพระก็ทำงานกันอย่างแข็งขันก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะเดินผ่านมาก็เลยมาเฝ้าดู ไปร่วมกลุ่มนี้ท่าทางก็จะไม่ค่อยอมีความมีสัมมาคารวะเท่าไหร่นะก็มีคนนึงก็พูดกับหลวงพ่อชาซึ่ง อ, อยู่ ใ, ใกล้ๆว่าเนี่ยทำไมพาพระมาทำงานนะไม่พาพระไปนั่งสมาธิน ะ, ะมีการทักทวงหลวงพ่อชานะก็พูดจาก็ไม่ก็สุภาพหลวงพ่อชาท่านก็ตอบว่านั่งนานขี้ไม่ออกว่ะ แล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยนั่งอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะจะเดินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ที่ถูกเนี่ยมันต้องนั่งบ้างทําประโยชน์บ้างนะแล้วก็ทําความเห็นความรู้ให้ถูกต้องอย่างนี้แหละจึงเป็นการมันจึงเป็นการปฏิบัติแล้วก็สอนไวรุ่นกุนันว่านี่นะ ถ้าไม่รู้เรื่องการปฏิบัตินะก็อย่าพูดนะพูดไปแล้วมันขายหน้าเขาดการที่พระมาร่วมกันปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เราจะทําทในวันโกลนซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะมันก็เป็นส่วนของการปฏิบัติทำนะในด้านนี้ก็เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตนนะช่วยเหลือเกื้อกูลวัดนะบางคนจะบอกว่าทําไมไม่จ้างนะ ที่จริงเนี่ยไอการจ้างนี่มันก็เป็นเรื่องที่มาทีหลังนะสมัยก่อนพระเราก็ทำกันเองเท่นันแหละนะเราไม่ได้จ้างใครที่ไหนบางวัด น, นี่แม้กระทั่งก่อสร้างนะสร้างโบส์สร้างศาลาสร้างกุฏิก็ใชนะ้กําลังของพระบางทีก็แม่ชีด้วยนะวันเรานี่โชคดีนะที่ว่าไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะก็มีการจ้าง แต่จะให้จ้างทุกเรื่องก็ไม่เหมาะควรจะเหลืองานบางอย่างให้พระทำรรให้แม่ชีและนักปฏิบัติร่วมกันทำด้วยนะเพื่อเป็นการนะปฏิบัติธรรมไปในตัวอย่างที่หลวงพ่อชานบอกเนี่ยให้ทำความเห็นความรู้ให้ถูกต้องเนี่ยพูดง่ายๆคือให้จักวางใจใถูกต้องเพราะคนเรานเนี่ยนะไม่ค่อยอยากจะทางานนะ โดยเพราะนักปฏิบัติเนี่ยอยากจะนั่งเฉยๆอยากจะอยูอ่คนเดียวในกุตตินะสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจก็มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าอยู่งั้นนานๆเนี่ยมันก็จะติดนะจะติดที่จะติดสงบติดสบายนะบางทีก็ต้องออกมาเจอกับความยากลำบากบ้างนะเคยพูดไปแล้วว่าความสบายเนี่ยมันเป็นมันเป็น มันเป็นหนทางหรือว่าเหยื่อล่อนะกับดักของมาร์นะพรานเนี่ยเวลาก็จะดักจับสัตว์เนี่ยก็จะทําทางให้มันเรียบเพื่อล่อให้สัตว์เนี่ยเช่นทกกนะักตะกรวดนก็ร่อเนี่ยมันเข้าไปติด ก, กับดักพอวางแล้วไว้อยูนะ่เพราะธรรมชาติของของสัตว์นเนี่ยพรานนี่เขารู้ดีว่ามันชอบทางสะดวกสบายทางเรียบถ้าไหนทางโลกนี่มันมันไม่ไปเนะี่ยผานก็เลยนะ ใช้ดีไซน์แบบนี้แหละนะมาเป็นเครื่องล่อให้มันติดกับดักติดแล้วแล้วก็ไปตายให้เวลาเราถ้าเราติดสบายมากเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันก็เป็นทางไปสู่นะกับดักของมานได้ให้าการที่เราได้ออกมาทําอะไรที่มันต้องใช้เหลี่ยวใช้แรงนะซึ่งอาจจะฝืนกิเลสไม่ถูกใจกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี คนเราเนี่ยต้องเจอความยากลําบากบ้างหรือเจอแรงเสียดทานบ้าง เ, เพราะว่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดอุปสรรคเกิดความยากลาบากแล้วเนี่ยทำยังไงนะจึงจะรักษาใจให้ปกติได้มันเหนื่อยกายแต่ใจเป็นปกติบางขรังการทํางานก็อาจจะมีโอกาส ก, า ร, กระทบกระทั่งกันนะไอ้การกระทบกระทั่งครับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพื่อจะทําให้ความสมรู้มันร้าวฉานแต่เพื่อเป็นการฝึกใจ จะหมอเป็นการฝึกใจก็ได้ก็คือว่าออกระทบกระทั่งยังไงแต่ใจเราก็สามารถจ ะ, ะมั่นคงเข้มแข็งได้เราต้องฝึกใจของเราแบบนี้ด้วยฝึกใจหรือฝึกแล้วก็ฝึกสติจากการที่เกิดผัสสะที่หยาบกระด้างหรือว่าเกิดแรงเสียดทานขึ้นการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้มารู้กายเคลื่อนไหวยอย่างเดียวแต่ว่าต้องรู้ทันจิตใจเวลาเกิดผัสสะ ภาษาที่สบายเนี่ยนะก็เป็นเครื่องฝึกใจเหมือนกันแต่ว่าคนมักจะหลงเคลิมนะยิ่งมาเจอภาษาที่มันหยาบเผ็ดร้อนหรือว่าเสียดแทงเนี่ยก็มักจะพา่าเสียทีได้ง่ายเพราะไม่มีสตนะิแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะหรือว่ารู้จักใช้สติในการที่จะรับมือกับอารมณ์ อกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้สติเราก้าวหน้านะเข้มแข็งมากขึ้นรวมทั้งรู้จักใช้โยนิสโสมนสิการในการฝึกใจให้ให้ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะเช่นมี่ก็การกระทบกับทั่งก็ถือว่าเป็นของดีนะมาฝึกนะมาฝึกให้เราเข้มแข็งให้ฝึกให้เรามีขันติธรรมนะฝึกให้เรามีความารู้จักมั่นคงไม่วันไหวนะมันต้องฝึกกับ ของจริงนะนะไม่ใช่ฝึกแต่เฉพาะเวลาอยู่ในกุติเท่านั้นนะสมัยที่ผมไปปฏิบัติเข้าพรรษาที่วัดอมรวดีประเทศเอังกฤษนะซึ่งสมัยของพ่อสุไมสุเมโอนี่เป็นเจ้าว่านที่นั้นนี่กิจวัตรทั้งวันเนี่ยมีแต่การทําร่วมกันไม่ใช่เฉพาะบินไม่ใช่เฉพาะทําวัดสวดมนต์ไม่ใช่เฉพาะเวลาฉันไม่ชอบบิณฑบาตนะแต่ว่ายังมีกิจกรรมเช่น ทำความสะอาดภาชนะล้างจานฉันเสร็จนี่มีจานเป็นร้อยสองร้อยภาชนะมีหม้อมีไหเไอ้มีหม้อมีมีช้อนซ้อมมากมายกว่าจะเสร็จก็เที่ยงครึ่งบ่ายโมงก็ต้องมาเจอหน้าพร้อมกันเพื่ออะไรเพื่อมาทำงานทำงานร่วมกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่ถึงเวลาน้ำปั้นะก็ฉันด้วยกัน ต่อเมื่อเวลาทำกิจส่วนตัวนั่นแหละนะก็จึงแยกย้ายกันไป 6.00 มงเย็นก็มาทำวัสวดสวดมนตะ์แล้วก็ฟังธรรมอ่านะเป็นอย่างเงี้ยนะหลายคนก็อยู่ลำบากนะไม่สบายใจเพราะสึกว่ามันไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยมีความทุกข์นะหลวงพ่อสุมเมทโทนะก็บอกว่านี่แหละนะมันเป็นการสอนนะฝึกให้เราเนี่ยได้เป็นการฝึกใจเรา เพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะฝึกได้ดีถ้ามันเจอสิ่งเสียดทานเจอแรงเสียดทานนะเราก็จะไดะ้รู้วิธีที่จะรับมือกับมันซึ่งก็ใครที่เข้าใจเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะจากวิธีชีวิตแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะมากไปสักหน่อยนะแต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยใจไม่ทุกข์ นะแดดร้อนก็ร้อนแต่กายนะใจไม่ทุกข์แด่อากาศหนาวมันก็หนาวแต่กายแต่ใจปกติทำงานนะ ก, ก็ต้องฝึกนะว่าเราจะไม่ใช่ทำแต่งานแต่ลืมใจของเรานะกลับมาดูใจของเราด้วยว่าใจเราขุ่นเคืองไม่มีเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งแล้วใจมันเป็นอย่างไรนะหรือมุมมายของการทำงานเนี่ยในวันโกนเนี่ยนะมันก็เพื่อเหตุ น, นี้ด้วยเนะี่ยไม่ใช่เพื่อให้ให้มีงานเสร็จอย่างเดียวนะ งานเสร็จแต่จิตใจหม่นมองนะอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกนะทำไปได้งานด้วยนะใจก็เป็นปกติด้วยขณะที่ตาก็มองนะใบไม้กอหญ้าที่กำลังกวาดหรือว่าไม้ที่กำลังเลื่อยสติก็ดูใจไปด้วยนะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่จะฝึกเราได้ไม่ใช่ว่าตามองพื้นมองใบไม้แต่ว่าใจมันถูกครอบงําด้วยความหงุดหงิดเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จนะบนในใจนะไม่มีสติมองเห็นว่าใจมันกําลังบน่นไอ้สภาวะแบบนี้แหละนะที่จําเป็นมากที่ต้องเอาสติมาดูเวลามันบ่นในใจทําไมต้องมาทํางานแบบนี้อยู่บ้านไม่เคยลําบากแบบนี้ ใจก็นึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเข้ากุฏิเมื่อไหร่จะเข้ากุฏินะฉันอยากจะอยู่ในกุฏินะฉันอยากจะเจอความสงบเนี่ยต้องเห็นนะเห็นอาการเหล่านี้นะไม่ใช่ปล่อยให้มันบน่นโวยวายตีโพยตีพายแล้วเกิดโทสะอันนี้เรียกว่าสอบตกเนะี่ขณะที่เจอสิ่งที่เสียแทนหรือว่าภาษาที่หยาบกร้านนะมันก็กลับมาดูใจนะใจที่มีโทสะนะใจที่เร่งร้าอยากจะให้เสร็จเร็วๆ อันนี้มันเป็นโอกาสในการฝึกจิตยอย่างดีด้วยนี่ที่สวนโม่เนี่ยนะทีะ่จึงมนะีกิจกรรมที่เรียกวันโกนะเรียกวันกรรมกรนะวันกรมกรมกรทั้งเรื่องเอาวันโกนนี่แหละนะพาเราเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่บัลังเกียรติแรงงานนะบางทีเราอยู่ยสบายจกนกระทั่งการใช้แรงงานเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะที่จึงมันเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรนะ เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำเลยทีเดียวสมัยสุกโตสมัยแรกๆนีนะ่พระนิธรรมเป็น ท, ทุกอย่างนะแม้กระทั่งาหาบน้ำนี่ก็ต้องทำเองนะไม่ใช่มีเครื่องสูบน้ำอย่างทุกวันนี้ น, ะนี่ทุกวันนี้เราก็สบายมากแล้วแต่ว่าก็ไม่ควรสบายมากคุรจะทากิจกรรมนะที่มันเป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจ จเจริญสติให้รู้ทันความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวเป็นการฝึกจิตไม่ให้ติดในความสบายนะไม่ให้ไม่ให้เพลินนะกับความสงบนะจนกระทั่งอ่ามันจะกลายเป็นผนเสียเพราะคนเราเนี่ยนะไม่ว่าเราจะสงบไม่ว่าเราจะสบายอย่างไรถึงสุดท้ายก็ต้องเจอกับพายุนะ พายุที่มันมาเกิดขึ้นเป็นพายุชีวิตพายุอารมณ์มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างที่เราสวดทุกวันเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องล่างเป็นเบื้องหน้าแล้ววันนี้สบายก็จริงแต่พรุ่งนี้เมื่อลืนนี้ก็ไม่รู้ว่านะจะเจอความปั่นป่วนนะมากน้อยเพียงใดนะเช่นอาจจะเจอความเจ็บความป่วยนะ เจอความเจอความป่วยแล้วเนี่ยถ้าไม่ฝึกใจไว้เลยนะมันก็โดนนะไอ้ความเจ็บความป่วยทุกขเวทนามันเล่นงานครอบงําใจนะอันนี้เป็นกับคนจํานวนมากเพราะไม่รู้จักฝึกใจไว้นะพอเพลินกับความสบายไม่ได้เตรียมใจไว้ว่าสักวันจะต้องเจอนะความยากลําบากเจอทุกขเวทนาเจอสิ่งที่มันขัดอกขัดใจ คนเราทุกคนไม่ต้องเจอนะพายุอารมณ์เจอสงครามชีวิตในวันข้างหน้ามันมีคำอะไสัมนวนว่าหรือภาษิตว่ายามสงบเราฝึกยามศึกเราลบนยามสงบเราฝึกนะตอนนี้ถ้าเราสบายมีกําลังวังชาดีนะก็ต้องฝึกนะฝึกกับความยากลาบากนะพอเรารู้จักทําจิตทําใจว่าลําบากยังไงใจเป็นปกติ นะพอเราเจออุปสรรคเจอความยากลำบากนะเจอความเจ็บความป่วยนะเจอความพัดภ้าสูญเสียแล้วก็ทาใจได้หรือว่าเจอแรงกระทบกระแทกนะจากคนรอบข้างผู้คนรอบตัวเราก็สงบไดนะ้ถ้าไม่ฝึกไว้อย่างนี้นี่มันก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทนะเลยเพราะพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่นะอ่าเข้าใกล้ธรรมะสวดมนต์ ทุกวันทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นนะบทสวนมนต์นี้มันเตือนเราทั้งนั้นแหละว่าให้เตรียมพร้อมที่จะเจอกับความทุกข์แต่พอเราเจอความสบายแล้วเราก็ติดมันนะสบายเพลินอันนี้เรียกว่าประมาาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยพร้อมเนี่ยที่จะเข้าหานะความยากลาบากนะเ น, นเวลามีกิจส่วนรวมเนี่ยก็ยิ่งต้องพร้อมนะถือว่ามันมาเป็นเครื่องฝึกใจเรา นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยกนะ็อยากจะให้พวกเราเนี่ยพร้อมเพียงแล้วก็มีความตั้งใจนะว่าเราจะเรียนรู้นะจากงานนะจากกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วเราจะฝึกใจได้อย่างไรนะนะอย่าหวงอย่าหวงไอ้ความสงบเอาไว้จนกระทั่งไม่กล้าที่จะออกไปเจอผู้เจอคนเจ อ, อกลางกระทบกระทั่งหรือว่าการกระแทกกระทันซึ่งอาจจะมีบ้างนะ จากกับการทำงานร่วมกันแต่ว่าถ้าเราทำใจได้ให้การปฏิบัติของเราก็จะเจริญก้าวหน้าเอาคำที่เขพูดกันท่านนี้เอากลับพระ